ทำกันหลังจากพวกเราได้สาธยายธรรมะใ น, น, ว, น, นวัาสวดมนต์ไหว้พระบางคำที่เราสวดออกจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าอุทานออกมาบางทีก็เป็นความเทศนาความเท็จความจริงอย่างไร ตอนนี้เราก็มาฟังเพื่อเป็นส่วนประกอบแต่การศึกษาปฏิบัติตอนปฏิบัตินี้เป็นเข้าถึงเนื้อเป็นการเข้าถึงเนื้อถึงตัวและความเป็นไปได้ในคำที่เราสวดเช่นติแลาาา้วขรณะคาถาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน เราจะต้องให้เกิดการพบเห็นเข้าในสิ่งเหล่านั้นภาระความยึดมั่นในอุปทานขัดทั้งห้าความปล่อยความวางมันเป็นอย่างไรเราต้องเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยการปฏิบัติวิธีที่เราปฏิบัติแล้วก็เป็นสูตรโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องไป หาข้อเท็จข้อจริงอะไรความผิดความถูกอย่างไรไม่มีการกระทําเข้าไปประกอบเข้าไปต่อเข้าไปต่อออกเช่นสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรที่ทำให้เกิดขึ้นในการเห็นในคำพูดที่ในการแสดงที่เราได้สวดไปต้องเกิดการพบเห็น ความไม่เที่ยงไม่ใช่ความพูดเป็นการพบเห็นเข้าความเป็นทุกข์เป็นการพบเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นการพบเห็นก่อนที่มันจะเกิดการพบเห็นเราต้องสร้างภาวะความรู้สึกตัวให้เป็นผู้ดูความรู้สึกตัวจะกลายเป็นผู้ดูกลายเป็นภาวะอันดูก็จะได้เห็นจตไดการศึกษาการปฏิบัติเอง อย่าพึงไปเอาความยากความง่ายอย่าพึ่งไปเอาความผิดความถูกเอาเท่งไว้ก่อนคำว่ายากคำว่าง่ายคำว่าได้คำว่าเสียคำว่าผิดคำว่าถูกให้เป็นการกระทำล้วนๆนี่สติเข้าไปดูกายให้มันเห็นสร้างสติขึ้นมาสติต้องสร้างต้องประกอบมันจึงจะมี ไม่ใช่ไปคิดไปท่องไปจำเอาไม่ใช่รู้ด้วยการจำเป็นสัญญาไม่ใช่มันต้องรู้ด้วยการสัมผัสสัมผัสที่กายที่ใจของเราความรู้สึกตัวอยู่ที่กายความรู้สึกตัวอยู่ที่ใจเหมือนกับเรามีตาอยู่กับเรามันจึงจะเกิดการเห็น ถ้าไม่มีตาอยู่กับเรามันก็เกิดการเห็นไม่ได้เราไปคิดปะโนภาพว่ามันเป็นต่ไม่ได้ความรู้สึกตัวของมันเกิดต้องอยู่ที่เราอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเราที่เราสร้างขึ้นมาจานมันมีแล้วยังมีวิธีการเคลื่อนไหวการสร้างจั๊วะเป็นรูปแบบให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นวัตถุประกผลิตความรู้สึกตัวขึ้นมา มันมีทำให้มันมีทำให้มันเป็น <c oughs> อย่าไปคิดมโนภาพอะไรอะไรก็เอาเหตุเอาผลจากความคิดไม่ใช่เหมือนคนทำไรทำนาก็อิทจะได้เข้ามากินเขาต้องวางคิดต้องไปมีนามีวัวมีควายมีน้ามีขาดมีไถมี เ้่าผูกข้่าพันต้องไปปักไปดำต้องดูแลรักษาต้องเก็บต้องเกี่ยวต้องขนเข้ามาใส่ยุ่งใส่ช้างต้องเอาไปสีต้องเอาไปนึ่งต้องเอาไปอะไรต่างๆปวดชจะได้มากินบางคนก็อ่อนไปเลยยากบางทีก็ยังไม่ไดย้ยากก็ยากก่อนยากยังไม่ผิดก็ผิดก่อนผิดยังไม่ถูกก็ถูกก่อนถูกยังไม่หลงก็หลงก่อนหลงมันก็เป็นไปทางนองนั้น มั้นกับคนบางคนเขาเคยมาพูดให้ฟังสิบ้านเขาเขามีฐานะดีเวลาจะกินข้าวลาข้าวเขามาตั้งอยู่บนโต๊ะก็ไปนั่งกินได้เลยตื่นขึ้นมาจะล้างหน้าแปรงฟันเ็ามีน้ำอุ่นไม่แปรงสีฟันเอาอยาสีฟันตั้งไว้บนโต๊ะแล้วม่กาแฟน้าร้อนอะไรต่างๆ พ็วันหนึ่งก็คนในบ้านไม่มีไม่มีคนปรุงอาหารให้ทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกก็วุ่นวายกันเราจะทํำยังไงเราจะทํำยังไงทําไรก็ไม่เป็นเราจะกินยังไงทำไมาคิดยังคิดยากเราก็ทำอะไรไม่เป็นกับไอ้ลูกทําำลูกก็ทําไม่เป็นพ่อก็ทําไม่เป็นแม่ก็ทําไม่เป็นวุ่นวายกันใหญ่ก็เลยก็เลยกลายเป็นความยาก หลวงพ่อก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าทำไม่เป็นก็ไปซื้อมาไปยากอะไรเอาเงินไปซื้อมานั่งรถไปซื้อเอาเราก็เอามากินมันก็ได้มันจะไปยากอะไรมันก็อยากในสิ่งที่ไม่ควรยากเพรยากในสิ่งที่ไม่ควรทุกข์มันกทุกมันออกหน้าออกตาความยากความง่ายความผิดความถูกาถ ก, การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางทีเราตั้ง ตั้งไวผ้ผิดๆก็ไม่จะทําได้หรือเปล่าจะทําได้หรือเปล่ามันจะยากไหมจะทําได้ไหมจะไปนั่งชั่วโมงมันจะนั่งได้ไหมจะไปเดินจะเดินได้ไหมจะยืนจะกินจะนั่งจะนอนอย่างไรเ น, นี่ก็คิดไปเอาละเอาที่ยงไวง้ก่อนความเป็นไปได้ของการปฏิบัติอาจจะไม่ยากมันที่เราคิดนะ มันย่อๆมันสรุปลง่าแม่คำสอนของพระพุทธเจ้านะมีมากถึง8ปดหนสี่ันเรื่องที่จะเกิดบุญเกิดบาปที่จะเกิดสวรรค์ น, นิพพานหลังที่เราเคยศึกษาที่จะเป็นศรัทธาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไรเราได้เคยได้ยินได้ฟัง ตัวตกต้นลกอยากได้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้ในผานในแต่คิดไม่แต่นึกไปต่างๆนานาแบบพอเรามาปฏิบัติเนี่ย ม, มีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวนเนี่ว่ารู้สึกตัวเนีเน่มันทั้งหมดของชีวิตแล้วก็ว่าหลงเราทั้งหมดของชีวิตแล้ว ชีวิตของเรามันมีแต่ความรู้กับความหลงเอาจริงๆแล้วตั้งต้นตรงนี้ตั้งต้นน้อยๆ อ, อาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขาก็ได้สำหรับผู้ปฏิบัติมันก็มีเท่านี้มีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความหลงพอทำลงไปมันก็มีเท่านี้จริงๆแล้วเจตนาที่จะสร้างความโลเอา้าความหลงมันเกิดขึ้น ความรู้สึกตัวนี่มันก็ตรงกันข้ามกับความหลงมันก็ถ้ารู้สึกตัวความหลงมันก็ต้องไม่มีอะไรไม่ได้สู้ลบตบมือกับความหลงเหมือนเราไล่ยุงด้วยซ้าไปโยงกัดเราต้องไม่มือไปไล่ต้องเมยผ้ามาหม่มต้องนอนในมุง้งต้องสร้างบ้านต้องใส่ม่งลวดเรายังทำได้ภาษาอะไรความหลงน่ะ มันก็ไม่ได้ขี่ช่างขี่มามามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเหงื่แต่เราลูดสึกตัวความลูดสึกตัวหาได้ไม่ยากเอากายนี่แหละเป็นวัสดุอุปกรณ์ส่วนไหนก็ได้ที่จะทําให้เกิดความลูดสึกตัวขึ้นมานี่เป็นการกระทําเป็นการกระทําไม่ใช่ไปเอาเหตุเอาผลไปเอาความยากความง่ายเอาทิ้งเข้าไาไปเลยความยากความง่ายเรามีการกระทํา เกิดจากการกระทําพระพุทธเจ้าก็เราจดเรียกว่ากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ทําให้เกิดวิปัสนาวิปัสนาทําให้เกิดถึงมรรคถึงผลคือการกระทําที่ตั้งของการกระทำแล้วเราก็มีอยู่แล้วกายเราก็มีอยู่แล้วส่วนประกอบที่ทําให้เกิดพร้อมรู้สึกตัวไม่อยู่แล้ว ่งค์ น, นี้กายของเราชีวิตของเราอาจจะเป็นส่วนประกอบทำให้เกิดความหลงมากกว่าทำให้เกิดความรู้เราจำเป็นต้องมาฝึกหัดกันนะมีตาก็ทำให้เกิดความหลงได้มีหูก็ทำให้เกิดความหลงมีจมูกกลิ่นกายใจมีลูกมีรถมีกลิ่ น, ม, ม, ม, นมีเสียงอาจจะทำให้เกิดความหลงอาจจะทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์ได้ บัดนี้เราจึงมาเอาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความรู้สึกตัวเปลี่ยนดู้ใช่ปฏิบัติคือเปลี่ยนมาทางเนื้อตัวเปลี่ยนมาให้เกิดความรู้สึกตัวเก็บเอาความรู้สึกตัวจากชีวิตทั้งหมดทุกส่วนได้แต่ตาเห็นรู้ก็รู้สึกตัวได้หูได้ยินเสียงก็รู้สึกตัวได้จต่โม่จะได้กลิ่นรู้สึกตัวได้กายมันสัมผัสก็รู้สึกตัวได้แม้กิจที่มันคิดอะไรขึ้นมา ก็รู้สึกตัวแล้วราหว่าเปลี่ยนปฏิบัติคือเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกมันจะยากอะไรไม่ต้องไปเจนใครมาช่วยมันก็มีอยู่กับเราแล้วมันก็มีอยู่กับเราแล้วอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้มันก็เกิดให้เราเห็นอยู่มมนได้รีบลับอะไรเช่นความห่วงเหงานอนเวลาเราปฏิบัติแต่ ความงงเหงาหอยนอนวิธีใดที่จะทําให้เราตื่นขึ้นมาก็หาที่ต้องช่วยตัวเองอ่าต้องช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเองทําให้รู้สึกตัวขึ้นมาวันชีดไปทางไหนทําให้รู้สึกตัวขึ้นมาน้ยมนย่อก็น้ำมน้มย่อก็น้ำมนบ่งความทุกข์กับความไม่ทุกข์มาเป็นผู้กันความหลงกับความไม่หลงมาเป็นผู้กันแล้วเกิดที่เดียวกันด้วยไม่ได้เกิดที่ไหน คนละโลกมันมันไม่ได้ลี้ลับอะไรเห็นสันหลังมันอยู่ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นเราจึงมีการดูแลปฏิบัติธรรมคือการดูแลการเข้าไปเกี่ยวข้การรับรู้รับเห็นชีวิตของเราทั้งหมดจนเกิดปัญญาปัญญาก็เกิดจากรับรู้รับเห็น ที่เกิดจากตัวเราคือสภาวะที่เป็นสังขารทั้งหมดประกอบโลดด้วยกองสังขารคือกายและใจชื่อว่าปัญญาหาได้ที่นี่ปัญญาไม่ใช่ไปเรียนรู้กักสถาบันไหนไหนเอากายของเราเอาใจของเราเป็นสถาบันให้มันเห็นแมาจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นบุญเป็นบาปเป็นมากเป็นผลเป็นบาปเป็นอารมมันก็อยู่ที่นี่ แล้วมันก็เปลี่ยนทีนี้เราจึงมาสร้างทํำยังไงเราจึงจะมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องแต่ว่าต่อเนื่องเหมือนโซ่เป็นเปาะเป็นเปาะไปไม่ต่อเนื่องเหมือนเหล็กเส้นนะถ้าเหล็กเส้นน่ะเขาจะเปรียบเหมือนสมถะถ้าเป็นโซ่เราก็จะเปรียบเหมือนวิปัสนาสมถะมันพืชไปพืชไปไปทางเดียวพืชไป วปัสนามันจะรอบรอบเห็นเราดูกายแล้วก็ดูอะไรมันจะแสดงออกมาเราก็เห็นอันคิดเราก็เห็นเราไม่ไปห้ามมันเราดูกายทัางหาพอมันคิดกันมาก็รู้มันก็ได้แล้วได้ความรู้จากความคิดที่มันหลงไปได้ความรู้จากตาที่มันเห็นได้ความรู้จากความง่วเหงาหา้านอนได้จากได้ความรู้เยอะแยะไปหมดเลยอะ แหน่งของการศึกษาเป็นตั ก, กัศิลาและชีวิตของเราในลั่วของการศึกษามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวนะ่ะเราไม่ได้ไปห้ามมันรอบๆความรู้สึกตัวเหมือนแสงในอน่อนไม่เหมือนแสงไ่ฉายมันรอบตัวให้เราจเจริญสติการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวเราก็ไม่ได้ไปจ้องไปเพ่งนะใหรู้สึกตัวเป็นคลั่งเป็นคลั่งไป รูเป็นครั้งรูเป็นครั้งรูเป็นครั้งเหมือนกับเปาะหนึ่งวนโซ่ที่วันเกาะกันเป็นเปาะหนึ่งรูที่หนึ่งก็เป็นรูปรูปต่อไปรูปต่อไปรูปต่อไปนะอันนี้เรียกว่าฝึกกรรมฐานฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาเราก็ได้ยินแต่ชื่อคําว่าวิปัสสนาภาวนา คำว่าภาวนาก็คือขยันรู้นั่นแหละไม่ใช่บรีกรรมไม่ใช่พุทธโธไม่ใช่พุทธโธไม่ใช่ยบเนาะพองเนาะไม่ใช่สัมมาหลังไม่ใช่อะไรวิภาวนาคือขยันรู้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆขยันรู้ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคำพูดเป็นการสัมผัสนะจึงมีวิธี14จังหวะนะ รู้พอดีพอดีอาจจะปีนาเทหนึ่งรู้เทหนึ่ ง, ง น, นีหรือไม่เกินนั่นหรือไม่ช้ากว่านั้นรู้เป็นครั้งรู้เป็นครั้งรู้เป็นครั้งไปมันจะเกิดความหลงก็อเอาความหลงมาเป็นความรู้อีกขี่วนความหลงอาศัยเหตุความหลงเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ได้นอกจากเจตนาที่เราจะสร้างจากักรวาลยังการเจตนาใส่ใจที่สร้างจักหวาลมันก็เป็นกรรมอยู่แล้ว การที่ไม่ได้เจตนามาเกิดความหลงกันมานั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความรู้ได้ความรู้เกิดจากสิ่งที่เราไม่เจตนาเหมือนเราทำงานทับการเราก็จำม่จํานานในสิ่งที่มันผิดเราแก้คำผิดเราแก้สิ่งที่มันผิดก็กลายเป็นประสบการณ์เหมือนเราไปสมัครงานทำงานสมัครงานไปทำงาน คนไหนที่มีประสบการณ์เขาก็เป็นพิเศษนะการทำงานการปฏิบัติธรรมกันมันมีประสบการณ์ไปในตัวเราเจตนาที่จะสร้างรีบทเอากายมาเป็นวัดสดุอุปกรณ์ผิดความรู้สึกตัวอา้าวมนเกิดความหลงขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาตรงนั้นเราก็เอาประสบการณ์นั่นแล้วมาเป็นความรู้สึกตัว มาเป็นความรู้สึกตัวจะเห็นความหลงโดยที่ความหลงยื่นมาให้เราไม่ได้สร้างความหลงมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวหลงไปทางไหนหลงไปในความคิดเราก็รู้สึกตัวเพราะว่ากรรมฐานเอากายสร้างแล้วกิันก็อยู่ตรงนั้นด้วยมันก็ทั้งหมดแล้วมันหลงไปทางความคิดมัน ถูกไปตามความคิดมันผิดไปตามความคิดมันทุกไปตามความคิดมันสุขไปตามความคิดดูไปดูมาอมันก็ไม่มีอะไรนะมันมีแต่ตัวหลงกับตัวรู้เท่านั้นก็เก็ยงสร้างตัวใ้ขึ้นมาประกอบขึ้นมานะต้องทํามันจึงจะพบเห็นถ้าไม่ทํามันจะเป็นเพียงคิดเห็นการคิดเห็นนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวอยู่คนละที่ แต่พบเห็นมันเกิดปัจจุบันเป็นปัจจัตตังถ้าพบเห็นมันเป็นปัจจัตตังทันทีไม่ต้องมีคำถามถ้าคิดเห็นอาจจะไปถามใครอย่างเราคิดเห็นวัดป่าสุขโตโตคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้อาจจะมีผู้บอกต้องขึ้นเขาไปต้องไปอยู่ตรงนั่นต้องทางครขกขะก่ายี่เข้าไปทั้งวัดถนนลูกลรังโคกขะ รถเราจะไปได้หรือเปล่าเื่อไปถึงที่นั่นแล้วก็เป็นป่าเป็นเขาโอ้เราจะอยู่ได้ไหมกลัวไหมโยงไหมไหมงูไห ม, ไ, มไหมผีหลอกไหมไหมบางทีคิดไปต่างต่งนะกลัวไหมมายังไม่ถึงกลัวแล้วกลัวแล้วยากแล้วง่ายแล้วการคิดเห็นมันไกลตัวต้องมีคำถามแต่การพบเห็นเนี่ยไม่มีคำถามเลยน ะ, ะเห็นความหลงไปถามใคร ไม่ต้องถามใครแล้วมีความรู้สึกตัวไปขอจากใครไม่ต้องไปขอจากใครก็ช่วยตัวเองช่วยตัวเองของจริงไม่มีคำถามตามปฏิบัติธรรมเช่ <c oughs> นมือเราวางไว้บนเขา่าเราจะต้องไปถามใครไหมเราพลิกมือขึ้นเราจะต้องไปถามใครไหมเรายกมือขึ้นต้องไปถามใครไหม <c oughs> เราเคลื่อนมือมาเราต้องไปถามใครไหมมันไม่มีคำถาม มันเป็นความรู้สึกตัวเป็นปัจจิตตังะเวลาเราหลงคิดไปเราต้องถามใครเราหลงหรือเปล่าเราหลงหรือเปล่าเวลาเราทุกข์เราไปถามใครไหมเราทุกข์หรือเปล่าเราทุกข์หรือเปล่าไม่ต้องถามพอรู้สึกตัวมันก็เป็นคนละเรื่องความรู้กับความทุกข์มันต่างกันความรู้กับความหลงมันต่างกันความรู้กับความผิดต่างๆกันความรู้กับความง่วงเหงาหอนอนมันต่างกันเนี่ย ตรงนี้ก็คือการสอนตัวเองอ่านฝึกตัวเองบัณฑิตต้องฝึกตัวเองมองตัวเองแก้ตัวเองคนผ่านเท่านั้นที่ไปแก้คนอื่นไปห้ามคนอื่นไม่ให้เขาทํากับเรามันเป็นไปได้ยากแต่ถ้ามาเตือนตัวเองเราเนี่แหละจะต้องเตือนตัวเราแม้คนอื่นจะทํากับเรามันก็แก้ไม่ได้ แต่เราต้องแก้ตัวเราเอา้าวถ้าจะโูดให้ย่ อ, ยอที่สุดใจกรรมทุกก็ดีสุข ก, ก็ดีเกิดขึ้นจากตัวเราโกรธก็ดีโลภ ก, ก็ดีหลงก็ดีเกิดขึ้นจากตัวเราถ้าถ้าเราย่อมาถึงบานนี้ละมันจะสะดวกที่สุดจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามมันเกิดจากตัวเราต่างหากที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแม้คนอื่นจะทำกับเรา เัาก็เป็นเลือกของเราที่จะต้องไม่สุขไม่ทุกข์เขาทําให้เราโกรธบางทีเราไปคิดอย่างนั้นเขาเราเขาทําให้เราทุกข์เราก็ไปคิดอย่างนั้นเราจะไปแก้เขาไปเกณฑ์ไม่ต้องให้เขาทํากับเราเป็นไประยาะแต่แม้นเขาทํากับเราเราก็ต้องไม่เป็นเหมือนเขาทำํำเราก็มีปัญญาอาจจะความร้ายกลายเป็นความดีอ่า นี่การปฏิบัติธรรมเมื่อเรามาเริ่มต้นตรงนี้มันจะเป็นทิศเป็นทางไปของยากกจะง่ายไปทำที่ตัวเราอันอื่นก็มาความถูกก็ไปเป็นพวงๆอะไปเป็นพวงเลยถ้าไม่ทําที่เราความผิดก็มาเป็นพวงๆพ่ว ง, งกันไปเช่นเราหลงคนอื่นเขจะคล้อยหลงไปด้วยเราโกรธคนอื่นจะคล้อยโกรธไปด้วยเราทุกข์คนอื่นจะคล้อยทุกข์ไปด้วย ถ้าลองมาเพิกตัวเราเนี่ยลองดูเสว่าเอา้าในกำมือของเรานี่แหละชีวิตของเราย่อลงมาแล้วย่อลงมาแล้วแม้แต่คําสอนแปดหมื่นสี่พันเรื่องก็ย่อลงมามาอยู่กับความรู้สึกตัวมาอยู่กับความรู้สึกตัวเหมือนเขาย่อโลกมาอยู่ในจอหนังหลวงพ่อเคยไปดูหนังโลกที่ ซารัฐก็ไม่ไปไปดูที่สิงคโปร์ก็ไม่เขายอ่อโลกมาให้เราดูมันก็เห็นโลกมันก็เป็นความที่น่าสงสารโลกไม่มีใครช่วยโลกไม่ได้คนทำลายน่าสงสารมากโลกที่เราอาศัยเขายอ่อมาอยู่ในจอคีวิตของเราประมาณ น, นันแม้จะเป็นพิเลตพันห้าตันหาร0อยแปดพอเรามามองน่ยโอ้ย ไม่ไม่ไ ม, มีใครรู้ได้ไมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวไรู้เรื่องนี้คนอื่นรู้ไม่ได้อย่าไปคิดแบบนั้นกนะารปฏิบัติธรรมต้องพิสูจน์กันแล้วเราจะหลงจนตายหรือเราจะโกรธจนตายหรือเราจะทุกข์จนตายเลยเราจะไม่หลงไม่ได้หรือเราจะไม่ทุกข์ไม่ได้หรือเราจะไม่โกรธไม่ได้เลยนี่สิทธิของเราเป็นเป็นหลักที่เราจะต้องศึกษาชีวิต ที่จะต้องให้มันจบมันสิ้นมันควรจะมีครั่งสุดท้ายด้วยความหลงอาจจะมีครั่งสุดท้ายความโกรธอาจจะมีครั่งสุดท้ายความทุกข์อาจจะมีคลั่งสุดท้ายด้วยคเพราะมันะมไม่จริง <c oughs> <c oughs> นะมันไม่เป็นธรรมชีวิตของเราไม่มีกายและจิตใจสมบัติของกายของใจคื อ, อความรู้สึกตัวไม่ใช่ความหลง ทำยังไงเราจึงจะมีความรู้สึกตัวใแเละเราจึงมาสร้างตัวในวมาประกอบมามีกิริยามามีรูปแบบสร้างเอาสร้างเอาอาศัยกายในเป็นวัสดุอุปกรณ์ทิศความรู้สึกตัวยกมือเพื่อนไหวไปมาวางเทก็ใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตัว ว่างทีก็เดินให้ลู้สึกตัววิธีใดที่จะทำให้ลู้สึกตัวเราต้องเราต้อง ต, งตั้งต้นกันตรงนี้การปฏิบัติธรรมถ้าไม่ตั้งต้นจากตรงนี้แล้วมันก็เหมือนไม่ไม่ได้ศึกษาศึกษาคือถลุงคือย่อยมาดูาเราจะศึกษาแล้วเราต้องดูต้องเห็นกับหูกับตาเราแล้วทำกับมือเรา สัมผัสกับความรู้ลองดูสักหึงวันสองวันแล้วมาจะเห็นความหลงเป็นคนละเรื่องกับความรู้สึกตัวต่างกันอยู่แล้วถ้าเรามีความรู้สึกตัวไม่มีใครที่จะไปเอาความหลงเพราะความหลงไม่เป็นธรรมแต่ถ้าเราไม่เคยมีความรู้สึกตัวนั้นความหลงก็อาจจะไปหลงมากกว่ารู้ก็ได้ ชีวิตเราวันหนึ่งวันหนึ่งนะอาจจะหลงมากกว่ารู้ไม่รู้สึกตัวอยู่ในความหลงความหลงก็เป็นตัวหนึ่งของชีวิตไปเลยความโกรธก็เป็นอันหนึ่งของชีวิตไปเลยเป็นตนอยู่ในความโกรธเป็นตนอยู่ในความหลงเป็นชีวิตอยู่ในความหลงเป็นชีวิตอยู่ในความทุกข์ความโกรธนะถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวจะไม่เห็นจะไม่เป็นคนละเรื่องกันจะไม่ต่างกัน ชีวิตเราก็เป็นทาสของทุกอย่างเขาเหี้ยวกันเขาใช้ไปพอเรามารู้สึกตัวเรามีสิทธิแล้วกันสิทธิของเราความชอบธรรมเกิดขึ้นความหลงเป็นความเป็นเออความหลงไม่มีความเป็นธรรมต่อชีวิตความรู้สึกตัวเป็นธรรมต่อชีวิตเราเราเลือกได้แลบัตชีวิตที่เลือกได้แั้วลู่จะเลือกแล้วบัตรลู่จะเลือกเลยเหมือนมีสิทธิ ที่จะคลองตัวคลองกายคลองใจเหมือนเราคลองเรือนคลองบ้านเราเรามีสิทธิที่จะให้ความสะอาดรักษาวความสะอาดเก็บกวดในสิ่งที่มันสกปรกสิ่งไหนมันสกปรกสิ่งไหนที่มันทำให้เลอะเทอะเป็นพิษเป็นไทยเราไม่เราไม่มสิทธิที่จะไม่ให้อยู่กับบ้านเราชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเราไม่สิทธิแล้ววัน ความชอบทำจะเกิดขึ้นมาอถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเนะ่ะโคลเปกันไปอาจจะหลงมากกว่ารู้ด้วยซ้าไปความหลงไหน ม, มากกว่าความรู้วันหนึ่งวันหนึ่งเนะี่ยมันหลงไปทางไหนมากที่สุดก็ไม่รู้ทางตาทางหูทางจมูกลิน้นกายใจอาจจะไม่มากพอเรามามีความรู้สักชั่วโมงสองชั่วโมง หรือหนึ่งวันสองวันอ่าพิสูจน์กันดูเจ็ดวันเหมือนพระพุทธเจ้าท้าทายเอาไว้ผู้ใดมีสติต่อเนื่องหนึ่งวันถึงเจดวันหนึ่งเดือนถึงเ็ดเดือนหนึ่งปีถึงเจ็ดปีจะเกิดอาณาสองสองประการหนึ่งเป็นพระอนาคามีสองเป็นพระละหันนี่มีสติต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยความรู้สึกตัวที่เราสร้างเท่านี้หรือเท่านี้หรือเท่านี้แหละ แต่ว่ามันก็พัฒนาไปตั้งต้นจากความรู้สึกตัวอาจจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคเป็นผลไปต่อเรื่องเหมือนโซ่มีใครที่จะพิสูจน์เรื่องนี้มาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตให้เต็มที่เต็มตัวถ้าไม่มีเวลามาก็ไม่เป็นไรเขาอยู่กับเรา อยู่กับเราแต่ว่าชีวิตที่เราไม่พร้อมอาจจะถูกแบ่งอาจจะถูกแบ่งสิ่งที่ทําให้แบ่งเป็นความหลงอาจจะมีนะแต่ถ้าเรามีสถาบันไม่โลภอย่างไม่เพื่อนไม่มิย่าเนี่ยมันตรงๆถือว่าเป็นอัติเลกกะลาบชีวิตที่สุขโตเนี่ยถือว่าเป็นอัติเลกกะลาบมีหน้าที่โดยตรง หัวนเรามีอติเลกระลาบบางทีไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อผ้ามีคนซื้อมาให้เรียกว่าอัติเลกระลาบบางทีไม่ต้องไปหาเงินหาทองไปซื้ออาหารมีคนซื้อมาให้บางทีไม่ต้องมีไปสร้างหาเงินหาทองสร้างที่อยู่อาศัยมีคนสร้างให้เรียกว่าอติเลกกะลาบอยู่ที่นี่นะ อยู่ที่นี่เหมือนเป็นอัติเลกันลาบไม่มีใครมาถูกแบ่งให้สิทธิให้ความเป็นธรรมต่อกันเลยกันเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันนะจึงพิสูจน์กันแล้วนะยุคนี้เป็นยุคทองยุคธรรมาำไมจึงว่าเป็นยุคทองยุคธรรมถ้าไม่ยุคทองยุคธรรมจะอยู่ยากลําบาก จึงเป็นยุคทองยุคธรรมกันความหลงอาจจะมากกว่าสมัยโบราณปัญหาต่างๆอาจจะมากกว่าสมัยโบราณอาจจะเป็นมันเปลี่ยนไปเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเจ้าลูกของคนทวนเนี่ยไม่เหมือนลูกของเราที่เป็นลูกของพ่อของแม่ลูกของเราเนยางคนที่ไม่ีลูกเนี่ย ต่างกันไหมกับเราเป็นลูกของพอ่อของแม่มันต่างกันอาหารการกินก็ต่างกันอากาศหายใจก็ต่างกันแผ่นดินที่เราเดินก็ต่างกันน้ําที่เราดื่มเราอาบเขาต่างก่อนเรากินน้ำรอยวัวรอยพวยได้ตัวนี้มันกินไม่ได้ไปแล้วแผ่นดินที่เราเดินก็เป็น พิษเป็นไทยอากาศที่เราหายใจก็เป็นพิษเป็นไทยอาหารที่เรากินก็เป็นพิษเป็นไทยเราจึงเป็นยุคทองยุคทองต้องวิวัฒนาตัวเองให้เท่าเทียมกับโลกที่มันคลุกคามเราแม้แต่เชื่อโลกเขาก็พัฒนาเขากันจนเป็นโลกอะไรเป็นโลกไขหวัดนกแต่ก่อนไม่เคยมีเขาพัฒนาไปโลกไข่ขี้ดู โรคอะไรโลกเอดโลกอะไรเยอะแยะไปหมดลเล ย, แ, ย, เลยนะแต่เราไม่พัฒนาชีวิตของเราโลกก็จะทับถมโรคไปเรื่อยๆความหลงไม่ใช่ฉันหลงเฉพาะเราอย่างเดียวคนอื่นที่จงใจที่สร้างให้เราหลงมีเยอะหลงหนังหลงทองคอลยาบ้ายาหมาเขาทําให้เราหลงเยอะแยะไปหมดเลยสมัยก่อนมันไม่มีนะมีอะไรชีวิตสมัยก่อนเคยพูดกระจายสื่อสารว่ามีคนหนึมีคน สองเมฆข้าวสามเมฆน้ำสี่เมฆดินห้าเมฆวัวควายเท่านั้นเองมีคนเมฆข้าวมีดินเมฆน้ํามีวัวเมฆควายทกว่านี้เขาเมฆอะไรเยอะยะมีวิทยุมีโทรศัพท์มีรถยนต์มีโอ้ยเยอะไปหมดเลยนะสมมัติมันมากก็ลุงไปหมดปวดรถกินเสียงโอ้ยเยอะแยะเขาสร้างให้เราหลงเยอะแยะหลงหนังหลงละครบานในครับอ่า อะไรต่างๆจึงเป็นยุคทองยุกธรรมกันแล้วอยู่ย่ำตกอยู่ที่เก่าไปได้ต้องพัฒนามาดูตัวเองพาเลื่อนธนะของตัวเองจากความหลงมาเป็นความรู้รู้จะเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ใช่ได้แล้วรู้จะเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธใช่ได้แล้วรู้จะเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนที่ตัวเรา้ดยสัมปัถ้าทาตัวในได้รู้จะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ รู้จะดูเห็นคนละเรื่องเห็นเห็นมันคิดเห็นมันทุกข์กเห็นมันโกรธใช่ได้ถ้าเป็นผู้ทุกข์ถ้าเป็นผู้โกรธถ้าเป็นผู้หลงยังใช่ไม่ได้ถ้าเห็นแล้วใช่ได้ถ้าเป็นใช่ไม่ได้เช่นเรามาสร้างป้ายานุปัสสนาเห็นกายเวทนาที่มันเกินเคื่องกายเห็นไม่ใช่เป็น ไอ้เช่าโอ้ยปวดโอ้ยปวดโอ้ยร like <S Ble |id|>. ้อนโอ้ยร้อนโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวโอ้ยหิวโอ้ยหิวมันเป็นมันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความร้อนเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความหนาวเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความเจ็บความปวดเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความสุขความทุกข์นะโลกมันทับผมพอเรามาเจริญสติมันจะเห็นเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันปวด เห็นมันหิวออกไปดูแล้วบัดนะเรียกว่าดูแล้วบัดมาดูโลกแล้วบัดพระพุทธเจ้าบอกว่าสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิกิฏการดุดลาดชชลที่คนหลงทั้งหลายพากันหมกอยู่ผู้มีปัญญาหาข้องอยู่ไม่มาดูเห็นมันหลงความหลงเป็นอันหนึ่งความรู้เป็นอันหนึ่ง เห็นมันทุกความทุกเป็นอันหนึ่งการเห็นทุกเป็นอันหนึ่งะจะได้เห็นเราไม่เข้าไปเป็นกับเสียงใดถ้ารู้สึกตัวนะจะไปทางนี้จะไปทางนี้ไม่เข้าไปเป็ดกับอะไรง่ายๆนะเราจึงมันสร้างตัวเนี่ยมันสร้างตัวเนี่ยสร้างความรู้สึกตัวเป็นดวงตาภายในให้ดูแลตัวเองถ้าไม่ดูแลตัวเองก็ดูแลคนอื่นไะม่ยากนะ ดูแลตัวเองให้รอดปลอดภัยมาลู้สึกตัวมาลู้สึกตัวเน่เราจะมาทำกันมาประกอบมาทำกันจริงๆสัมผัสมาต่อม า, อมาอเอากายไปต่อเอาความรู้สึกตัวเอาใจไปต่อเอาวิธีเราที่ทำานี่ก็มีอยู่แล้วสอนกันเคลื่อนไหวไปมาขยันลู่ขยันลู่จะไปกดจะไปเครึงทำสบายๆเนี่ย เลยตัปฏิบัติทำจะเพิ่งไปเอาความยากความง่ายทําได้หรือเปล่าทําได้หรือเปล่านะจะนั่งได้ไหยจะอยู่ยังไงอันนั้นไม่ต้องคิดบางทีเราคิดมันอาจะยากพราว่าทำแล้วมันจะง่ายเราคิดว่ามันจะง่ายเพราะว่าทํามันจะยากอันนั้นไม่มีปัญหาคำนะว่ายากคำว่าง่ายไม่เป็นไรความรู้สึกตัวมันจะทําให้เรียบๆไปเลยเรา มันเป็นความยิ้มย ing, ie, นะนะิ้นะความรู้สึกตัวไม่ใช่ปูดพึ่งตึงเครียดรู้สึกตัวมันจะยิ้มยิ้มันจะเบาเบานะความรู้สึกตัวจะเบาเบ่าวันเราหาบอะไรหนักๆมาพอรู้สึกตัวมันจะเบารู้สึกตัวจะเบาเบานะถ้าหนักไม่ถูกถ้ายากก็ไม่ถูกถ้าง่ายก็ไม่ถูกความรู้สึกตัวจะเป็นกลางไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายความรู้สึกตัวจะไม่ได้ผิดจะไม่ได้ถูกความรู้สึกตัวจะไม่ได้โศกไม่ได้ทุกข์ มาออกมาดูออกมาดูนี่นะในก็พูดให้ฟังเนาะเป็นการประกอบกับการศึกษาปฏิบัติเราพบกันตอนเช้าตอนเย็นพูดกันเป็นส่วนรวมเหมือนกับพูดกับทุกท่านเหมือนกับพูดกับทุกท่านเหมือนกับพูดกับทุกคนเพราะว่าคําพูดในมันเป็นขอบอันเดียวกันความหลงก็เหมือนกันควารู้ก็เหมือนกันของโกรธก็เหมือนกันความไม่โกรธก็เหมือนกันความ อะไรต่างๆความร้อนความหนาวเหมือนกันแล้วก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละเรียกว่าสากลแห่งธรรมเนาะสำหรับวันนี้ก็สมควรเจรเวลาพวกเราก็กราบพระพร้อมกัน